สงสัยว่าความสุขอยู่ที่ไหนเลยหา อ, อ, อยู่เรื่อยๆหาไม่เจอทันทีเจอก็เหมือนกับเป็นเงาตะคุบเงาคิดว่ามันอยู่ตรงนั้นเอาไปถึงตรงนั้นเอาไม่ใช่แล้วคิดว่ามันอยู่ที่เงินพอได้เงินมาเอไม่ใช่แล้วคิดอยู่ที่ยศเอ า, เอายศเอาตำแหน่งมาได้ก็ไม่ใช่ เราไม่เคยหาความสุขถูกที่เราก็เลยไม่เค่อยเจอเจอแต่ความทุกข์กัน<ม>เราต้องมาฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่พบความสุขหาความสุขเจอ<ม>ความสุขความทุกข์ของพวกเราก็อยู่ที่การการะทาของเราเนี่ย การกระทำของพวกเราที่เราคิดว่าเป็นความสุขมันกลับไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มันจะเปลี่ยนไปพอเราได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากความสุขกลายไปเป็นความทุกข์คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขคืออะไร ก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือความสุขที่พวกเราหากันหาเงินหาทองกันหาตำแหน่งหายศหาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอเวลาเราได้มามันเป็นความสุขเองแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ชั่วคราวที่มันจะกลายเป็นอย่างอื่นไป mm hmm. หรือหมดไป mm hmm. เวลาเราได้เงินทองมาเราก็ดีใจกันพอใช้เงินหมดเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาเงินทองก็เลยกลายเป็นความทุกข์แทน พะเราไม่รู้จักใช้พอใช้แล้วมันติดใช้แล้วมันก็อยากจะใช้อยู่เรื่อยๆทองเงินไม่พอใช้เราก็เดือดร้อนนี่คือความทุกข์ที่เราได้จากเงินทองเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวร เราเลยต้องหาเงินทองกันอยู่เรื่อยๆมาเติมอยู่เรื่อยๆถ้าเวลาใดเราไม่สามารถหาได้เราก็ทุกข์กันมีญาติโยวมาทาบุญขอพอรขอให้หมดหนี้หมดสินก <c oughs> ็จะไป ห, หมดยังไงมีแต่ใช้ไม่หาหาไม่พอใช้เขาก็บอกว่าเขามีภาระต้องใช้ <c oughs> เขามีลูกมีเต้ามีอะไร ้องส่งลูกไปเรียนหนังสืออะไรก็ว่าไปก็อย่าไปส่งมันก็หมดเร็ให้เป็นเรียนโรงเรียนฟรีก็ได้โรงเรียนวัดก็มีเรียนก็อยากจะเอาหน้าเอาตากันหน้าตาก็ยศเนยอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆจบแล้วจะได้มีงานดีๆทำมีตำแหน่ง แทนที่จะมาเป็นในสิบเป็นจาลูกจะได้เป็นในร้อยในพันในพลถ้าส่งไปเรียนโรงเรียนดีๆแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วถ้าตัวเองหาไม่พอก็ต้องไปกู้นหนี้ยืมสินตอนที่กู้ก็คิดว่ามีปัญญาจ่ายเพราะคิดว่าหมุนทันแต่พอ กูไปแล้วมันหมุนไม่ทันมีอุปสรรคต่างๆรายได้ลดลงรายได้ตกต่าหมุนไม่ทันเอาเงินมาจ่ายดอกไม่ทันจ่ายต้นไม่ทันก็ทุกข์เนี่ยนี่คือการหาความสุขจากราบยศเนี่พวกเราอยากได้มีหน้ามีตากันอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนรวย มีคนนับหน้าถือตาไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากเป็นขอทานก็เลยทุกกันแทนที่จะได้รับความสุขจากเงินทองจากการมีหน้ามีตากลับทุกกันเพราะมันเป็นภาระที่เราไปแบกมันหนักกว่าที่เราจะสามารถแบกได้ วิธีที่เราจะไม่ทุกข์กับลาบยศสั้เสริญก็คือเราต้องยินดีตามมีตามเกิดหาเงินมาก็หาไปได้เท่าไหร่ก็ใช้มันเท่าที่เรามีอยู่อย่าไปใช้เกินตัวเราก็จะมีหน้ามีตาหรือไม่ก็แล้วแต่ได้ได้ยศมาก็ดีไม่ได้มาก็ไม่เป็นไร อยู่มันไปเป็นในสิบก็ได้เป็นจ่าก็ได้มันก็แค่ชื่อกันเงชื่อในสิบชื่อในจา่าเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายเหมือนกันตายไปก็ไปที่ตาวันเดียวกันเตาที่เผาในพลกับเตาที่เผาในในสิบก็ตาวันเดียวกันให้รู้จัก คิดบ้างแล้วการหาความสุขจะได้ไม่กลายเป็นความทุกข์นี่คือถ้าเรายังต้องหาราบยศสารเสริงหาลูกเสียงกลิ่นลดอยอ่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้รู้จักประมาณรู้จักใช้อย่าใช้มากกว่าที่เราหาได้ อย่าไปอยากได้ตำแหน่งที่สูงกว่าความสามารถของเราที่เราจะได้ดความเป็นไปได้ให้มันมาเองดีกว่าตำแหน่งอะไรถึงเวลามันจะมามันมาก็ให้มันมาถ้ามันไม่มาก็อย่าไปคิดถึงมันเลยให้พอใจกับตำแหน่งที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นอะไรก็ให้พอใจ กับตำแหน่งที่เรามีอยู่เป็นจ่าก็ขอใจกับการเป็นจ่าไปเดี๋ยวอายุหกสิบก็กลับมาเป็นคนธรรมดาเต็มขั้นเหมือนกันเป็นนายพลเป็นนายพันเป็นนายหมื่นนายแสนเดี๋ยวพออายุหกสิบก็เขาก็ให้กลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนกัน ถ้าเรารู้ว่าราบยศสารเสริญมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็จะต้องมีวันหมดไปเราก็ยังพอที่จะมีความสุขกับมันได้แต่ก็ยังยังอาจจะต้องทุกข์เพราะมันอาจจะหมดไปก่อนที่เราคิดว่ามันจะหมด อาจจะถูกเขาปลดออกจากงานทำงานผิดพลาดผิดกฎผิดระเบียบเขาก็อาจจะปลดเราออกจากตำแหน่งปลดออกจากราชการไปงั้นถ้าเรายังหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียง ก, งกลิ่นรสต่างๆอยู่ เราก็ยังต้องเสี่ยงครับการที่เราจะต้องเจอความทุกข์กันอยู่เพราะมันไม่แน่นอนความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคืออะไรก็รูปเสียงกลิ่นรสของคนที่เรารักแฟนเรานี่ก็เราติดรูปเขาติดเสียงเขาอยากจะอยู่ใกล้เขานอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปถึงไหน จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปแบบไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็ความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสที่เราหากันอาจจะอยู่ด้วยกันไปจนตายจากกันไปแก่ตายไปถึงเวลาแก่ตายจากกันก็เศร้าโศกเสียใจเหมือนเดิมหรืออาจจะตายตอนที่ยังไม่แก่ก็ได้เกาเศร้าโศกเสียใจ หรืออาจจะไม่ตายแต่หนีไปอยู่กับคนอื่นก็ได้ไ ป, ปมีแฟนใหม่ต้องทําใจมากๆถ้าอยากจะหาความสุขแบบนี้ต้องเตรียมตัวถ้าเหมือนกับขึ้นเครื่องบินนี้ต้องเตรียมล่มชูชีพไว้ถ้าไม่มีร่มชูชีพเวลาเครื่องบินตกก็ต้องตกกับเครื่องบินนะ แต่ถ้าเราเตรียมนมชูชีพไว้มันก็ยังพอที่จะบรรเท่าความเดือดร้อนได้่มชูชีพนี้คืออะไรก็คือต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะเงินทองอาจจะหมดวันใดวันหนึ่งก็ได้เนี่ยเราต้องหาวิธีทําให้มันเวลาหมดไม่เดือดร้อนก็กระจายเงินทองไว้ไปหลายๆที่ อย่าไปใส่ไว้ในตะกร้าเดียวเหมือนไข่เนี่ยถ้าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวเกิดหลุดมือหลดตกลงม า, มาแตกหมดเลยเอาเอาไข่ใส่ไว้หลายหลายกับตะกร้าใส่ไว้หลายหลา ย, ลายที่เวลาที่ตรงนี้แตกที่อื่นยังไม่แตกเงินทองก็ต้องกระจายมันไปไว้ในธนาคารบ้างไว้ในธนบัตรบ้างไว้ในหุ้นบ้าง ไว้ในที่ดินบ้างไว้ในตึกบ้างไว้ใน เ, เพชรบ้างาซื้อเพชรเก็บไว้บ้างซื้อทองเก็บไว้บ้างเอามันหลายๆอย่างเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นอะไรไปอย่างมันไม่ได้เป็นไปทีเดียวพร้อมกันหมดก็ยังอาศัยอย่างอย่างนั้นอย่างนี้แทนได้ อันนี้ก็มันก็ยังเป็นความทุกเป็นความทุกข์อยู่เป็นความกังวลอยู่<ม>ถ้าเรายัางหาเงินทองยังพึ่งเงินทองให้ความสุขกับเรามันก็ยังจะต้องทําให้เรากังวลอยู่นั่นแหละเช่นเดียวกับยศกับตําแหน่งไม่รู้จะถูกโยกย้ายเมื่อไหร่ไม่รู้จะถูกปลดเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้เลื่อนขั้นเมื่อไหร่ ถ้าเราไปหวังไปหวังในเรื่องตำแหน่งพอไม่ได้ขึ้นไม่ได้เรื่อนขั้นก็เสียใจพอถูกปลดก็เสียใจถูกโยกย้ายก็เสียใจแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจคิดว่ามันเป็นเรื่องของยศที่จะต้องเป็นอย่างนี้มีขึ้นได้ก็อาจจะมีลงได้ถูกปลดได้ถูกโยกย้ายได้ ถูกลดขั้นได้ํำสรรเสริญก็แบบเดียวกันไม่ใช่ว่าจะมีเขาสรรเสริญเราทุกวี่ทุกวันวันดีขึ้นดีก็อาจจะโดนขรหานินทาก็ได้ถูกด่าก็ได้ถ้าเราไม่เต็มตัวเต็มใจคิดไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันจะทำให้เราทุกข์มาก ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เราจะรู้สึกเฉยๆมันมามันก็ไปมันขึ้นก็นลงต อ, อนนี้เขาชอบเราเขาก็ชมเราตรงนี้เขาโกรธเราเขาก็ด่าเราเก็มีเท่านั้นในโลกนี้ท่านถึงบอกว่าโลกกระทที่พวกเราหากันนี้คือลาบยศสารเสริญสุขเนี่ ย, ยมันไม่แน่นอนออมันมีเจริญก็มีมเสื่อม จเจริญราบได้ก็ต้องเสื่อมราบได้จเจริญยศได้ก็เสื่มยศได้สรรเสริญได้ก็นินทาได้สุขได้ก็กลายเป็นทุกข์ได้สุขจากแฟนเนี่ยพอแฟนจากไปความสุขจากแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสุขจากการไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์พอต้องอยู่บ้านไม่มีเงินเที่ยว นี่ก็ทุก<ม>ตราบใดที่เรายังหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อยู่เราจะต้องต้องเจอความทุกข์วันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะในที่สุดร่างกายเรานี่แหละมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ทำให้เราทุกข์เวลาเราแก่เนี่ยจะไปเที่ยวก็เที่ย ว, ยวไม่ไหวจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายก็หูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดี หรืออยิ่งถ้าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพิ่กลพิการเป็นอมพภพาอมภาภะจะไปหาความสุขได้ไหมทางตาหูจมูกเน้อง่ า, งายคนที่แก่หรือคนที่เป็นโรคอมพภพอมาภะหรือโรคที่จะไม่มีวันหายมีแต่จะตายเนี่ยบางทีก็อยากจะคิดฆ่าตัวตาย ก็อยู่ไปก็ไม่มีทางที่จะหาความสุขได้แต่การค่าตัวตายก็ไม่ดีก่ะการค่าตัวตายก็เป็นการเป็นการสร้างความทุกข์มีใครอยากตายบ้างอ่นี่คือความสุขที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันแต่คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า น, นี่ท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์ ทุกอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยทุกเพราะว่ามันต้องเสื่อมต้องมีวันหมดพระพุทธเจ้าก็เคยหาความสุขแบบนี้มาก่อนท่านเกิดในวังเป็นพระราชโอรสมีราบยศเห็นไหมเงินทองมีปราสาทสามฤดูเนี่ยรวยคนรวยต้องมีปราสาทถึงสาสามหลังได้ไม่รวยไม่ไม่ได้ นันสมัยนี้คนรวยต้องซื้อคอนโดสามสี่หลังเนี่ยคอนโดในเมืองคอนโดในเขาคอนโดในริมทะเลเปลี่ยนที่ไปอยู่เบื่อในเมืองก็ไปอยู่บนเขารีสอร์ทเบื่อบนเขาก็ไปอยู่ริมทะเลไปอยู่เกาะก็ซื้อคอนโดกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันประสาทสามแลดูเบื่อแ ด, ด, ด, ดูร้อนก็ย้ายไปที่นึ่ ไปอยู่ประสาทเลื่อดูหนาวปราสาทเลื่อนดูหนาวพอเปลี่ยนไปพอมันร้อนก็ไปอยู่ประสาทเลื้อดูร้อนพอฝนตกก็ไปอยู่ประสาทเลื่อนดูฝนแต่ท่านก็เห็นว่ามันก็ยังทุกขมันยังวุ่นวายอยู่นั่นมันก็ต้องย้ายไปย้ายมาแล้วก็ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นกษัตริย์ได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวเผลอถูกเขายกทัพมาตีก็ ถ้าแพ้เขาก็ถูกเขาฆ่าหรือไม่มีใครเขายกทัพมาแต่มีลูกน้องมาปฏิวัติเองอนั้นก็อยู่อย่างอย่างไม่ไม่สบายใจอยู่แบบต้องคอยวิตกกังวลเนี่ยเรื่องของราบยศไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดนี่มันเหมือนกันทั้นั้น มันไม่แน่นอนเวลาได้ก็ดีแต่พอเวลาเสียนี่ไม่มีใครว่าดีมีแต่เสียใจร้องโหยร้งองไห้กันพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขพอดีไปเห็นนักบวชเขาก็เลยสนใจศึกษาว่านักบวชเขาทําอะไรก็พรว่านักบวชเขาก็หาความสุขเหมือนกัน แต่เขาหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรอยู่ในใจอยู่ในความสงบอย่าง<ม>นักบวชเขาก็หาความสุขเหมือนพวกเราเองแต่วิธีหาความสุขต่างกันนั่นี้แทนที่เขาจะไปหาเงินทองหาลาบยศสร ะ, ะเสริ เขาไปหาความสงบกันพอเขาได้ความสงบใจก็มีความสุขสุขเหมือนกับเราสุขตอนที่เราได้เงินทองมาแต่สุขที่ดีกว่าเหนือกว่าเป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเก็รลดผลธระ พระุทธเจ้าก็เลยสละความสุขทางลาบยศรเสริ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะไปเพราะท่านรู้ว่าต่อไปเวลาท่านแก่ท่านเจ็บท่านตายท่านก็จะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้แก่ก็ยังหาได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังหาได้ตายไปก็ยังหาได้ เพามัไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแบบนี้กันความสุขแบบนี้ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขกันธรรมะที่จะใช้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนักบวชเขาต้องเขาต้องหาศีลหาสมาธิหาปัญญากันมาเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้สร้างความสงบ สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้แก่ใจถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะไม่สามารถที่จะสร้างความสงบของใจได้แต่ถ้าใครมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคนนั้นก็จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปความสุขในใจนี้ก็ไม่หมดไป พอความสุขในใจอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจกับร่างกายนี่เป็นคนละส่วนกันเหมือนน้ำกับขวดน้ำนี่เป็นคนละส่วนกันเพียงแต่ว่ามาอยู่รวมกันเราก็เลยคิดว่าเป็นส่วนเดียวกันน้ำนี่ถ้าเราไม่เทมันออกมาจากขวดเราอาจจะคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของขวดก็ได้แต่พอเราเทออกมาเราถึงจะรู้ว่า อ, อ๋อน้ำก็เป็นน้าขวดก็เป็นขวด เป็นคนละส่วนกันขวดพังไปขวดแตกไปน้ำก็ไม่ได้น้ำก็ไม่ได้พังไปกับขวดน้ำก็ยังอยู่ใจกับร่างกายก็เหมือนกับน้ำกับขวดเนี่ยร่างกายเป็นเหมือนขวดน้ำใจเป็นเหมือนน้ำเนี่ยใจเหมือนเข้ามาอยู่ในร่างกายใจมารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับร่างกาย อะไรมาสัมผัสทางตาก็รับรู้อะไรมาสัมผัสทางหูก็รับรู้อะไรมาสัมผัสทางร่างกายก็รับรู้หมดอก็เลยเหมือนกับว่าใจนี้อยู่ในร่างกาย <S <S เ, ปเป็นส่วนของร่างกายไปใจก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายไปใจก็เลยไปหาความสุขทางร่างกายเพราะมันเป็นวิธีที่ วิธีเดียวเท่านั้นที่ที่ใจรู้กันเพราะว่าไม่มีใครรู้วิธีหาความสุขจากความสมบงบนอกจากนักบวชถ้าไม่ได้เป็นนักบวชถ้าไม่ได้รู้จักกับนักบวชจะไม่รู้กันคนที่ไม่ได้มาพบกับนักบวชเนี่ยจะไม่รู้วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งทุกคนก็จะหาความสุขทางร่างกายกัน หาความสุขจากราบยศสรรเสริญด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันตอนต้นก็ต้องสร้างร่างกายขึ้นมาให้แข็งแรงให้สมบูรณ์เวลาออกจากท้องแม่มาก็ต้องกินต้องดื่มต้องอะไรต้องหัดเดินหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งหัดอ่านหัดเขียนหัดพูดหัดอะไรทำอะไรต่างๆหัดใช้ร่างกาย พอพอรู้จักใช้ร่างกายแล้วก็เอาร่างกายนี้มาหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันพอเรียนจบก็หางานทำกันพอได้งานก็ได้เงินเดือนนะได้ลาบนะได้ตาแหน่งนะทำไปเรื่อยๆก็เงินเดือนก็เพิ่มมากขึ้นตาแหน่งก็สูงขึ้นไปสารเสรินก็ได้มากขึ้น ทำงานได้ผลดีเขาก็ให้โน้ให้รางวัลให้ประกาศเกียรติคุณอะไรต่างๆชีวิตในยุคแรกๆนี้จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขจเจริญในลาบยศเจรเสริญแต่พอมันไปเจริญถึงขีดสูงสุดแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วสิทีนี้มันก็จะเสื่อมละ เงินเดือนสูงสุดเดี๋ยวเขาก็อยากจะให้เราออกแล้วจ้างไปต่อไปก็ช่จ้างคนใหม่ดีกว่าคนใหม่เริ่มต้นนี่เงินเดือนน้อยคนเก่านี่เงินเดือนมากเขาก็จะมีวิธีให้มีเออร์ให้ลาออกจากงานเขาจะได้มีตําแหน่งว่างจะได้จ้างคนใหม่ขึ้นมาเงินเดือนจะได้ลดน้อยลงไป ชีวิตก็จะเริ่มถอยหลังละนับถอยหลังเคยจเจริญที่เริ่มเสื่อมละเสื่อมทางเงินเดือนเสื่อมทางยศอายุหกสิบเขาก็ปลดล ะ, กะเกษียณตกงานเคยได้รับรางวัลได้รับเกียรติบัตอรอะไรต่างต่อไปก็ไม่ได้ละเพราะไม่มีผลงานชีวิตก็จะซื่มเศร้าขึ้นมา เคยเคยมีแต่ขึ้นเดี๋ยวนี้มีแต่ลงร่างกายสุขภาพก็จะเริ่มไม่ดีต้องไปหาหมอบ่อยขึ้นเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มากขึ้นต้องไปงานศพ ข, ของเพื่อนของคนรู้จักบ่อยขึ้นเห็นความตายใกล้เข้ามาเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ว่าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราไม่รู้ว่าเรามีเราเป็นใจและเรามีวิธีหาความสุขแบบของใจถ้าเราไม่ได้มาเจอนักบวชเราจะไม่รู้กันเจอก็ไม่รู้บางทีนักบวชเองก็บางทีก็ไม่รู้นักบวชบวชแล้วก็มาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเหมือนกับญาติโยมนี่เห็นไ้มหาตำแหน่งกันแย่งตำแหน่งกันเหมนกับ ต้องฟ้องร้องฟ้องอะไรกันยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดกันนี่ก็ตำแหน่งใหญติดใช่ั้มทั้งๆ ท, ที่เป็นนักบวชไม่รู้ว่านักบวชก็เขาหาความสุขแบบไหนกันกลับมาหาความสุขเหมือนกับสมัยที่เป็นข่าววาาเป็นพูกของเงินหาความสุขจากเงินหาเงินกันเนี่ยไปสวดศพไปสวดอะไรนี่ก็ได้เงินได้ซองมากัน ถ้าไม่มีสองก็ไม่ไปสวะไม่ว่างอาลองลองรู้ทางงานนี้ไม่มีไม่มีซองไ ม, ไม่ว่างทันทีแล้วก็วิ่งหาตำแหน่งกันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาค เหมือนกับทางโลกไม่ต่างกันนะทั้งๆ ท, ที่เป็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่านักบวชเขาหาความสุขแบบไหนกัน<ม>เรียนนล้วก็ไม่ทํา<ม>นํำมาไปปฏิบัติมาบวชเขาก็บอกให้เรียนว่านักบวชหาความสุขแบบไหน<ม>นักบวชก็หาความสุขจากศีลสมาธิปัญญา<ม>รักษาศีลให้บริสุทธิ์<ม>ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบะ มาเจริญปัญญาให้เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขกันแน่ให้รู้ว่าวิธีการหาความสุขของญาติโยมนี้เป็นการหาความทุกข์กันวิธีหาความสุขที่แท้จริงต้องหาแบบพระคือไม่หาจากลาบยศสรรเสริญไม่หาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือปัญญาแต่แทน ท, ที่เรียนแล้วแทนที่จะไปปฏิบัติกันไม่ไปปฏิบัติไปสวดกันดีกว่า รับกิดนิมนต์ดีป่ะพอรับกิ่นนิมนต์ญาติโยมทำบุญวันเกิดก็ต้องใส่ซองทำบุญกัะเอาะไปส่วนงานไหนก็ตามมีซองนนง <c oughs> พอได้ซองมาทำอะไรก็ไปเที่ยวกันลเลยไปซื้อ p h o n นกันเลยซื้ออะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็บซื้อรูปเสียงกลิ่นรดเนี่ย อันนี้แหละคือนักบวชที่ญาติโยมเจอกันญาติโยมเลยไม่รู้ว่าความสุข ท, ที่แท้จริงเป็นยังไงถ้าไม่ไปเจอนักบวชที่เขาหาความสุขอยากความสงบกันเขาก็จะไม่สอนเขาก็จะสอนให้ญาติโยมทาบุญเยอะๆทาบุญเยอะๆใส่ซองเยอะๆสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเมน สร้างอะไรกันญาโยมก็รู้แค่นั้นญนะาโยมก็เลยต้องรีบหาเงินมาสร้างโบสถ์ว่าทำบุญเราจะได้ความจะได้ความสุขกันก็ต้องไปหาเงินเงินบางคนหมดเงื้อหมดตัวเพราะการทาบุญเงี้อมันก็เป็นความสุขนิดเดียวความสุขที่ได้จากการทำบุญยังไม่พอ ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการรักษาศีลนั่งสมาธปิปฏิบัติธรรมกันอันนี้นักบวชเขาไม่ชอบสอนกันถ้าสอนให้ญาติโยมรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาญาติโยมก็ไม่ทำบุญอยู่เลยไม่ทำบุญก็ไม่มีรายรับทำลายโม่ข้าวตัวเองถึงต้องสอนใจเรื่องทำบุญไว้ก่อน ทำบุญเยอะๆทำบุญบ่อยๆทำบุญมากๆตายแล้วได้ไปสวรรค์แต่ไม่อก็จะสอนในเรื่องทำบุญใ ห, ใ, หให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้ปฏิบททัต <ๆ S 1> ิธรรมเพรพวกนี้พอปฏิบททัติธรรมแล้วจะไม่ได้ทำบุญตัวเนี่ยมัวแต่ไปอยู่ในป่าในเขาไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบะเงินก็เก็บไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะถ้าเป็นผู้หญิงบวชบวชพระไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรให้ก็ต้องเก็บเงินที่จะไปทำบุญนี่มาเลี้ยงตัวเองเยก็จะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ใส่ซองแต่ถ้ามาเจอพระที่เขารู้ความจริงรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา เขาก็จะสอนให้เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอพระที่เขามีความสุขทางใจนี้เขาไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองได้มามากน้อยเพียงไรเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้หรอกเพราะเขาเห็นโทษของมันเคยมีแล้วเงินทองไม่งั้นจะมาบวชทำไมที่มาบวชก็เห็นว่าเงินทองมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแล้วพอมาบวชแล้วยังจะมาหลงใช้หาเงินหาทองมาใช้เงินใช้ทองอีกทำไมนั้นอย่ามาบวชไม่ดีกว่า หาเงินหาเงินจากการทํางานได้เงินมากกว่าการมาบวชเองเส้ <c oughs> าที่เขาปฏิบัตินี่เขาจะไม่สนใจเรื่องเงินทอง <c oughs> ได้เขาก็เอาไปทําบุญต่อเอาไปทําประโยชน์ต่อแต่สําหรับตัวเขาเองเขาไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขเขาใช้ศีลสมาธิปัญญาซื้อความสุขศีล ส, สมาธิปัญญานี่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด ไม่เหมือนเงินทองนี่ใช้ไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดแต่สีนี่ใช้ไปเถอดสมาธิใช้มันไปเถอดปัญญานี้ใช้มันไปเถิดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดยิ่งใช้ยิ่งกลับมีมากขึ้นไปยิ่งรักษาสีได้บริสุทธิ์มันก็ยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นไปใหญ่ยิ่งนั่งสมาธิให้มากมันก็ยิ่งนั่งได้ได้นานได้ได้มากขึ้นไปเรื่อย ยิ่งพิจารณาทางปัญญายิ่งเกิดปัญญามากขึ้นไปมีความรู้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆยันมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่าความสุขที่ไม่มีวันหมดเพราะเครื่องมือที่เราใช้หามันก็ไม่หมดความสุขที่เราได้จากเครื่องมือนี้ก็ไม่มีวันหมดเพราะมันอยู่ในใจใจก็ไม่มีวันหมดใจไม่มีวันตายไม่มีวันสิ้น อย่าไปหาความสุขทางร่างกายเพราะมันมีวันหมดนะร่างกายเดี๋ยวเสื่อมไปตายไปมันก็หมดแนละ้วข้าวของเงินทองที่หาผ่านทางร่างกายก็เอาไปไม่ได้เลยบ้านคอนโดกี่หลังปราสาทกี่เลดูก็เอาไปไม่ได้ทิ้งให้คนอื่นเขาหมดนะกายเป็นสมบัติของคนอื่นไปตัวเองก็ไปแบบขอทานใจไม่ได้ทำบุญใจไม่มีความสุขไปเลย ใจไปแบบคนทุกข์คนยากจนไปแล้วก็ยังต้องไปเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่มาหาเงินหาทองใหม่แต่คนที่เขามีความสุขใจไปนี่เขาไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาหาเงินหาราบหายุทธทางร่างกายเขามีความสุขมากกว่าความสุขที่เขาจะได้รับจากการมาเกิดใหม่ มาเกิดใหม่ก็เป็นความสุขที่เป็นความสุขปลอมเองอ่ะตอเดี๋ยวเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายความสุขที่ได้จากการเกิดก็หายไปยความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นี่คือเรื่องของความสุขแท้กับของความสุขปลอมตอนนี้พวกเรากําลังหาความสุขปลอมกันอยู่เตรียมหาหาผ้าเช็ดหน้าไว้น้ำไว้เช็ด น้ำตากันเดี๋ยวก็ต้องร้องไห้กันรับรองได้รับประกันได้ถ้าไม่ร้องไห้ดีมาตกหน้าเราได้เลย <c oughs> เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องร้องห่มร้องไห้ตาดำตาแดงมาเ <c oughs> พราะต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียลูกเสียงกิ่นลดไปเพราะของพวกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องมีวันเสื่อมอย่างแน่นอน เหมือนผ้าทิ์ที่มันขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตก แ, แต่ดีที่เราไม่ต้องร้องหงองห้ากับผ้าทิศทเพราะว่าเราไม่ไปหวังอะไรจากผ้าทิศผ้าทิศจะขึ้นผ้าทิศจะตกก็เราก็ไม่ไปเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากผ้าทิศถ้าเรามองลาบยศสรรเสริญเหมือนผ้าทิศได้เราก็จะไม่เดือดร้อน เราอย่าไปหวังพึ่งลาบยศสรเสรยอย่าไปหวังพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะถ้าเราไม่พึ่งมันแล้วมันจะมาหรือไม่มาเราจะไม่เดือดร้อนมันจะขึ้นมันจะลงเราไม่เดือดร้อนแต่การที่เราจะไม่พึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องมีที่พึ่งอย่างอื่นก็คือที่พึ่งทางใจคือความสุขทางใจถ้าเรายังหาความสุขทางใจไม่พบเนี่ย เราจะยังต้องเพิ่มความสุขทางร่างกายต่อไปเพราะว่าใจเรามันเหมือนกับคนพิการเนี่ยมันต้องมีอะไรค้ำประยุงต้องมีไม้เท้าถึงจะเดินได้ถ้าไม่มีไม้เท้าทางร่างกายก็ไม่มีไม้เท้าทางใจก็ต้องเอาไม้เท้าทางร่างกายไปก่อน ตั้งยาหาความสุขจากความสงบไม่ได้ก็ยังต้องหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสไปก่อนแต่ถ้าหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส<ม>ก็ต้องเตรียมผ้าซับผ้าเช็ดหน้าซับน้ําตาไว้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจถ้าเตรียมตัวเตรียมใจก็เหมือนเตรียมน่มชูชีพ พอเครื่องบินตกก็กระโดดออกเลยไม่ต้องตกไปกับเครื่องบินแต่ถ้าไม่มีร่มชูชีพก็ต้องยิบไปกับเครื่องอเครื่องมันไปไหนก็ต้องไปกับมันยิ่งถ้าเรายังหาความสุขทางใจไม่ได้อยู่ก็ถ้าเรายังต้องหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็พยายามหาน้อยๆเพึ่งมันน้อยๆแล้วก็ เตรียมร่มชูชีพเอาไว้ก็ <Yeah. S 1> คือค่าตัวตาย <Yeah. S 1> บางคนเวลาเสียใจมากๆสูญเสียสิ่งที่รักไป <Yeah. S 1> อยู่ไม่ได้ค่าตัวตายไป <Yeah. S 1> มีเสียใจเสียหลักเสียหลักเลยแต่ถ้ามีร่มชูชีพ <Yeah. S 1> ก็ยังพอประครับประคองอตกจากเครื่องมา <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปหาเครื่องใหม่ขึ้นก็ได้ นีลมชั่วชีพลงมาถึงพื้นดินก็ไปหาเครื่องใหม่ขึ้นถ้าสูญเสียราบยศสรรเสริญไปก็หาใหม่ได้ถ้าชีวิตยังไม่ตายก็ยังหาใหม่ได้ถ้าเข็ดแล้วเบื่อแล้วก็ไปหาศีลสมาธิปัญญาแทนไปบวชแทนเนยคนเราบางคนนี้ต้องทุกข์ก่อนถึงจะเห็นทางไปสู่ความสุขถ้าทุกข์แล้ว เบื่กลับมาเดี๋ยวก็ต้องเจอแบบเดิม อ, อีกเจอรอบแรกผ่านไปแล้วยังไม่เข็ดกับมาเอารอบที่สองอกีกเดี๋ยวก็เจอแบบเดิมอกีกเดี๋ยวสักวันหนึงมันต้องเข็ดพอมันเข็ดแล้วมันก็จะไปหาศีลสมาธิปัญญากันไปบวชกันไปนุ่งขาวห่วมขาวนุ่งเหลืองห่มเหลืองกันแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบกัน คนเราบางทีต้องมีความทุกข์ก่อนหรือมันต้องเห็นว่าทางที่ไปนี้มันไม่ใช่เป็นทางของความสุขไปแล้วจะต้องเจอความทุกข์อย่างเพราะพระพุทธเจ้านี้ยังไม่ทุกข์นะตอนที่ออกบวชนี้ท่านไม่ได้ทุกขนะ์ท่านยังมีราบยศสรรเสริญมีอะไรอยู่ได้ลูกมาใหม่ๆจะได้ซ้าไปคนที่ได้ลูกนี้เขาดีใจกันเขาไม่ทุกข์กันหรอกองั้นจะไปว่าพระพุทธเจ้าไปบวชเพราะความทุกข์นะี่ไม่ใช่ ท่นไม่ทุกข์แต่ท่านเห็นอ น, นาคตว่ามันต้องทุกข์อยู่ต่อไปในโลกนี้ต่อไปมันจะต้องทุกข์เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่มันต้องทุกข์ท่านก็เลยไปหาร่มชูชีพดีกว่าไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งดีกว่าไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าก็ไปหาความสุขจากการรักษาสีมจากการนั่งสมาธิจากการใช้ปัญญา า ก, การศึกษาปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อสอนใจให้รู้ว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์เพื่อจะได้ไม่เดินเข้าหาความทุกข์กันอันนี้ก็คือทางออกที่แท้จริงรรพวกเราทุกคนเนี่ยสักวันหนึ่งไม่ช้าก็นเลยต้องมาทางนี้กันทั้งนั้นเพราะพวกเราทุกคนต้องการหนีจากความทุกข์กัน ไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์กันไม่มีไม่มีใครอยากจะน้องห่มน้องไห้กันทุกคนอยากจะเจอความสุขแบบไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นกันตอนนี้พวกเราโชคดีมาเจอคนที่เขาเจอแล้ว<ม>เจอพระพุทธเจ้าเจอพระอรหันตสาวกที่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเด็ดขาดแล้วอ ย, อย่างหมดสิ้นแล้ว แล้ท่านก็นมาบอกวิธีให้พวกเรารู้ว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะถ้าอยากจะได้ความสุขความสุขที่ถาวรทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เนะี่ยจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราเชื่อและเรานำไปปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเป็นพระสาวกขึ้นมาแต่พระสาวกก็เป็นพวกเรานี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาตัสรู้ยังไม่มีสาวกนะตอนที่ท่านพ้นทุกข์เป็นท่านพ้นคนเดียว ไม่มีสาวกพ้พนด้วยพอท่านพ้นแล้วท่านก็มาบอกคนอื่นให้รู้พอคนอื่นได้รู้นล้วนำมาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็ได้ผลก็เลยได้เป็นพระสาวกขึ้นมา mm hmm. พวกเราถ้าทําเหมือนกับพระสาวกเราก็จะได้เป็นพระสาวกต่อไปถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเป็นวิธีที่จะทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริง หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเราก็นำไปปฏิบัติท่านบอกให้ไปรักษาศีลศีลก็ต้องศีลของนักบวชไม่ใช่ศีลของผู้คองเรือนศีลของผู้คองเรือนไม่พอคือศีลห้านี้ไม่พอต้องเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยีเจ็ดศีลแปก็ของพวกแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ห่มนุ่งขาวหุ่มขาวศีลสิบก็พวกสามเณร ศีล227กค่พวกพระภิกษุนะต้องรักษาศีลแบบนี้ถึงจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกัน ถ, ถือศีล5นี้มันจะไม่มีเวลาเพราะศีล5ไม่ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวถือศีล5นี้ไปเที่ยวได้ถ้าพระ ถ, ถือได้แค่ศีล5ก็คงจะดีนะไปเที่ยวไหนก็ได้ก็ศ <c oughs> ีล227นะยังไปได้เลย <c oughs> ไปเพราะอ้างว่าไม่ได้ไปเที่ยวไปไปเผยแผ่ธรรมไปเป็นธรรมอุด น, นี่ที่ต้องให้ถือศีลแพราะจะได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามแหน่งบันเทิงแตกต่างไม่ให้ไปดูมหารคหล่อศพไม่ให้ไปร้องนําทําเพลงไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทาเผ่าทําผมเอ ไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นอันนี้ถ้าถือศีลห้านี้ไม่ห้ามยังไปได้ยังทําได้อยู่ศีลห้านี้สําหรับผู้คลองเรือนผู้ที่ยังไม่ออกบวชผู้ที่ยังหาราบยศสรรเสริญอยู่ให้หาโดยวิธีไม่ทําบาปมันจะได้ทุกข์น้อยหน่อยถ้าหาด้วยวิธีทําบาปมันจะทุกข์มากขึ้นเช่นหาเงินด้วยกา ร, กรมโกโเอ ช่อโกงเนี่ยมันจะทุกข์มากกว่าการหาเงินโดยไม่ช่อโกงหาแฟนด้วยการไม่แต่งงานกับแต่งงานมัไม่เหมือนกันคนที่แต่งงานเขาก็มีแฟนคนเดียวไม่มีปัญหาคนที่ไม่แต่งงานไปหาแฟนคนนู้นแฟนคนนี้เดี๋ยวก็เอาเชื่อโลกติดตัวมาโดยไม่รู้สึกตัวตายก่อนเวลาที่สมควรเอาเชื่ออกเชื่อเอทเชื่ออะไรมาก็ไม่มี ไม่มีไม่มีคู่ของตนเองก็เลยไปหาตามตามบาตามผับกันอันนี้พวกถือถือศีลห้าก็ไปไม่ได้คนที่ถือสี่ห้านี้ต้องมีแฟนคนเดียวเป็นสามีภรรยากันแะอยู่อย่ายงนี้จะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอันนี้แต่ยังเที่ยวได้ยังกินยังดื่มยังอะไรได้อยู่ ก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขกันผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสุขทางใจจึงต้องถืบศีลห้สืบศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล 10, สิศีล2องร้อยก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบมีความสุขจากความสงบ แล้วก็มาศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันก็นนจะพบว่าเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันก็คือความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองพอเราเกิดความอยากจะไปทางนั้นเราก็ต้องหยุดมันฝืนมั น, นทุกครั้งที่อยากจะกลับไปทางนั้นก็ฝืนมั น, นถ้าเราฝืนมันบ่อยๆก็ต่อไปมันก็หมดกาลัง แล้วมันก็จะไม่มาชวนเราไปทางราบยศสลรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผทพะะอีกต่อไปพอไม่มีอะไรมาชวนเราไปดึงเราไปใจเราก็นิ่งสงบสบายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์เพราะความทุกข์ก็เกิดจากการเกิดนี่เองเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย การเกิดก็เกิดจากความอยากที่จะมาหาลาบยศสรรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสนี่เองพอเราใช้ปัญญาห้ามไม่ทำตามความอยากได้ความอยากก็จะหมดกําลังไม่สามารถมาดึงให้เราไปหาหาลาบยศสรรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดได้เมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายต่อไป ความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปเพราะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่แม้ว่าจะเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันต้องทุกข์เหมือนกันทุกข์เหมือนกับขอทานขอทานก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นถ้าเกิดเป็นอะไรแล้วมันต้องทุกข์เพราะมันจะต้องตายกันเป็นเทวดาก็ต้องตาย เป็นพรมพก็ต้องตายต้องเสืิอมจากเทวดามาเป็นมนุษย์ต่อไปนันเราต้องศึกษาด้วยปัญญาเพื่อเราจะได้คอยเตือนใจสอนใจห้ามใจไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆพอเราหยุดความอยากได้เราก็จะสบายเราจะมีความสุขไปตลอดนี่คือวิธีหาความสุขของพระพุทธเจ้าของนักบวช เป็นการหาความสุขที่แท้จริงเพราะไม่มีความทุกข์ตามมาความทุกข์ต่างๆจะถูกทำลายไปหมดไม่เหมือนกับความสุขที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้ห า, าาหาจากลาบยศสรรเสริญหาจากรูปเสียงกิน่นรดเดี๋ยวมันหมดไปเมื่อไหร่ความทุกข์ก็จะตามมาทันทีดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามให้ได้ รับรองได้ว่าเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงนละหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาเรวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานัง อ, อปุปกาปติ อิชิตังปฏิธิตังตุมหังคิดเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะอรโสยะธาไมณิโชติอรโสยะธาสัพหิตโยวิวัจจานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโย สุขีทีขาโยโกภวะอะพีวาธนสีริตสะนิจังวุทธาปจายิโนจตารโธรมมวัทานติอายุวโนสุขังภาลังมีนักเสือในหมายปฏิปทาพระเถรโดนกรรมฐาน เป็นคู่มือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอยากจะรู้ว่าปฏิบัติเป็นยังไงก็อ่านเนี่ย<ม>วิธีปฏิบัติของพระเพื่ออยากจะบวชจะได้บวชอ่าแล้วอาจจะบวชอยากจะบวชก็ได้เพไม่ยากหรอกเราไปคิดว่ามันยากอางกิเลสมันหลอกให้เราคิดว่ามันยากถ้ามันยากคนหนึ่งเขาก็ปฏิบัติไม่ได้นีิ มันไม่ยากคนที่เขาปฏิบัติก็ไม่ยากไอ้คนที่ไม่ปฏิบัตินันก็ว่ายากเพราะมันไม่อยากจะปฏิบัติมันก็เลยว่ายากพอปฏิบัติไปมันก็ง่ายเหมือนกันเหมือนขับรถเนี่ยถ้าไม่เคยขับใหม่ๆเห็นเขาขับรถไม่ไหวแล้วยากไม่อยากจะขับแต่พอถูกบังคับไม่ขับมันไม่ขับไม่มีมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เลยต้องบังคับตัวเองให้หัดขับขับไปสักพักก็เก่งแลยม สมัยก่อนไม่มีนะผู้หญิงสมายเราเป็นเด็กๆนี่ไม่มีผู้หญิงขับอถกันนะสมไยก่อนผู้ชายขับทั้งนั้นตอนหลังที่ผู้หญิงเบื่อต้องคอยพึ่งผู้ชายก็เลยขัดหัดขับเองดีกว่าทีนี้ไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลยขับได้เองสบายเมื่อก่อนต้องคิดว่าขับรถนี้ต้องเป็นผู้ชายแนทะ่า้นจะขับได้ทุก่ังไงกัน ปฏิบัติทรามก็คิดว่าต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะปฏิบัติโยมปฏิบัติไม่ได้ก็พระมาจากไหนถ้าพระไม่มาจากโยมพระมาจากที่ไหนก่อนยังมาเป็นพระเป็นอะไรมาก่อนนะนั่นสิเกิดมาจากท้องแม่เป็นพระเลยเลหนื่งห่มเหนืองออกมาจากท้องแม่เลย <laughs> <laughs> แม่ตกใจไอ้ลูกคนนี้เลย ไม่ยากหรอกมันใจกิเลสเรามันหลอกเราว่ามันยากมันไม่ต้องการให้เราปฏิบัติก็ใช่ไหมมันก็เลยตั้งข้อข้อสอบยากๆ ก, กันไว้เราเลยยากปฏิบัติยากว่าแค่นึงมันก็เลยที่เวลาไปเที่ยวไกายแสนไกลเหมือนว่ายากเลยไปได้หมดทุกขนทุกแข่งหาเงินร้อยล้านพันล้านนี่มันไม่ไม่ยากหรอก แต่ก็หากันได้ในชะ่ไหมนั้นไม่มีอะไรยากหรอกสิ่งใดที่มนุษย์ทำได้คนอื่นทาได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันเขากับเราก็เหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันมีแข้งมีขามีไม้มีมือมีเท้าเหมือนกัน ม, มีสติมีปัญญาเหมือนกันสมัยก่อนก็ไม่คิดว่าจะมีคนเรียนจบปัญญากันหรอก สมัยก่อนเนี่คนจะจบปริญญานี่มีน้อยจบป .4 กันยุคสมัยพ่อแม่นี่ก็เรียนแค่ป .4 กันอพอแล้วเรียนสูงกว่านั้นเขาคิดว่ามันยากแต่เดี๋ยวนี้เห็นมันจบกันว่าเป็นว่าเล่นนะฉันไม่มีอะไรยากหรอกอเราไปว่ามันยากเองอ ม, มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยอ๋อโดยกี่ครั้ง ทางเดียวแรกเนี่ยของ a c e b o o k เหร อ, อของ Facebook ครับของยูทูบไม่ดุดไม่ดุดต่อได้แล้วเวลย ว, วันนี้ช่วงแรกเข้ามาเท่าไหร่เลยทางเฟซบุเข้ามาสูงสุดสี่รอยี่สิบสามค่ะทาง youtube เข้ามาสูงสุดหนึ่งร้อยแปดค่ะตอนนี้เริ่มเข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้เข้ามาสี่ไม่ค่อะมาสามสิบสี่สิบห้าสิบ เขาเรว่าหลุดเดี๋ยวก็กำลังพยายามต่อกันอยู่เสียขึ้นเรื่อยๆขออภัยนะตอนนี้นสัญญาขาดต่อไปจะได้การพัฒนาใช่ไหมเขาจะตั้งที่ถ่ายทอดสัญญาขึ้นบนข่าวอยูอ่อาจจะสัญญาอาจจะสถเทืนกว่าอาจจะแรงกว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหม ไมถามอะไรเลยไปถามเดี๋ยวให้ทางบ้านก็ถามน ะ, ะมีคําถามเข้ามาปะมีค่ะอะว่ามาคําถามจากคุณขวัญเดือนค่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วบางครั้งใจไม่สงบแต่เราก็ยังต้องผับบริกรรมภาวนาพุโทโธไปเรื่อยใช่ไหมค ะ, ะถ้ายังไม่สงบก็ต้องภาวนาไปเรื่อยบริกรรมไปเรื่อยเหมือนกินข้าว่ะถ้ากินยังไม่อิ่มก็ต้องกินไปเรื่อยๆ กินไปเรื่อๆเดี๋ยวมันอิ่มเองถ้าเราหยุดกินเมื่อไหร่มันก็ไม่มีวันอิ่มต้องอยากขี้เกียจพุโทโธนั่งสมาธิต้องขยันพุโทโธพุโทโธอย่าหยุดพุดโทโธหยุดเมื่อไหร่ก็เหมือนกับ อ, อดกินข้าวเมื่อนั้นตินก็จะไม่มีวันสงบได้แต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องสงบอย่างน้อย คำถามจากคุณกัญญรัตน์นะครับลูกใส่บาปทุกเช้าที่หน้าบ้านแล้วแผ่เมตตาให้ปิดามาดาเทวดาเทพรมสรัปปสัตสัพเวสีที่อยู่ในบ้านหน้าบ้านและในที่ต่างๆที่รับบุญได้ขอให้มานุโมทนาขออภัยครับเหยบล่มครับลออ่มเองแล้วนะแล้วหลุดนะเล็ลบบาเอายูทูป ในวันหมุนๆเนี่ยพูด ค, ครั้งนะครับาจากโยมกัญญาลักษณ์นะครับลูกใส่บาตรทุกเช้าที่หน้าบ้านแล้วแผ่เมตตาให้ปิดามาดาเทวดาเทพพรมสัพพสัตสัพพเวสีที่อยู่ในบ้านและในที่ต่างๆที่รับบุญขอให้มาอนุโมทนาบุญรับบุญร่วมกันและขอให้ท่านเป็นสุขเป็นสุข อ, อย่างนี้ เขาจะได้รักใหม่คะลูกใส่บาตรทุกครับก็าถามเขาด้วยิมาถามมันทําไมถามว่าเทวดาได้รับบุญยี่นั่นท้ายให้หรือเปล่ามาถามเราทำไมเราคุณเป็นคนติดต่อเขาเราไม่ได้เป็นคนติดต่อเขาครับต่อนะครับอจากโยมตุ้มตุ้ยนะครับจากการปฏิบัติข้อหนึ่ง เรามีความสุขในใจได้โดยการพึ่งสิ่งภายนอกให้น้อยที่สุดมีแค่ปัจจัสี่ก็พอแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะสุขที่สุดและพ้นสังสารวัตรได้โดยการที่ไม่ต้องมีหรือพึ่งสิ่งอื่นๆเลยโยมเข้าใจถูกต้องไหมคะถูกต้องจะไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสให้พึ่งความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ข้อที่สองนะครับทางโลกยิ่งหาเข้าตัวเองมันสุกแบบร้อนเพราะต้องหาต่อแต่ทางธรรมยิ่งสละออกยิ่งมีความสุขและสุขเย็นกว่าด้วยทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นธรรมชาติของใจเราไงใจเราจะเย็นกับการให้ใจเราจะร้อนกับการได้มาเป็นธรรมชาติของใจ คำถามต่อไปจากโยมธัญพัฒนนะครับการนักมัธการพระอาจารย์ค่ะเรียนถามค่ะในระหว่างวันเมื่อมีสิ่งกระทบเข้ามาจะเห็นอารมณ์และเกิดขึ้นกับจิตบางครั้งอารมณ์นั้นตั้งอยู่ไม่นานก็หายบางครั้งตั้งอยู่พักใหญ่จึงหายก็ไม่แน่นอนบางอย่างถ้าเรารักมากมันก็จะหายยากถ้ารักน้อยมันก็หายเร็วก็ ให้รู้ว่าเป็นอารมณ์ว่ามันเกิดแล้วดับอย่าไปมีปฏิกิริยากับมันให้รู้เฉยๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เรามันรู้เฉยๆไม่เป็นพอมีอารมณ์ไม่ดีมาก็วุ่นวายไปกับมันเวลามีอารมณ์ดีก็อยากจะให้มันดีไปเรื่อยๆพอมันหายไปก็เสียใจอีกงั้นการจะฝึกใจเราต้องฝึกใจให้เฉยๆกับอารมณ์ต่างๆครับคาถาต่อไปจาก คุณทัจลัตนาพัฒนนะครับเห็นการบีบคั้นดิ้นรนของจิตใจเห็นการจางคลายลงของอาการนั้นถูกต้องไหมคะก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ยังห้เห็นเฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันคําถามจากคุณอัครินค่ะเมื่อเราหมดไปเราไม่ต้องสนใจ แล้วคำบริกรรพุโทโธจะยังบริกรรต่อหรือไม่ครับถ้าเราใช้พุโทโธก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องบริกรรคือการนั่งนี้มีนั่งได้หลายแบบบางทีก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุโทโธบางคนก็ใช้พุโทโธด้วยใช้ลมด้วยก็ถ้าลมหมดก็พุโทโธยังอยู่ก็พุโทโธต่อไปจนกว่าจิตมันจะล่วงเข้าไปนเข้าไปในความสงบแล้วพุโทโธมันก็จะหยุดเอง ข้อค่ะเมื่อลมหมดรู้สึกว่าร่างกายและใจอึดอัดพอไม่หายใจเหมือนจะตายใจเลยไปจับเอาอาการของท้องทีงท่ยุบและทองแทนและได้ใส่คำบริกรรมพุทโธแทนขณะที่ท้องพองและยุบอย่างนี้ได้หรือไม่ครับก็ได้ก็ทำไปทำไปจังกว่าจิตมันจะสงบมันจะนิ่งข้อที่สามค่ะผมเคยปฏิบัติแล้วจิตรวมเมื่อบริกรรมพุทโธแล้วจิตรวมรูปลง ทำภาวนาหายในในขณะนั้นซึ่งเราก็รู้ตัวว่าหายไปเหลือแต่ตัวรู้บรรยากาศรอบตัวดับมืดลงและความสบายโล่งเบาซึ่งมันต่างกับอาการลมจหมดที่ได้ถามข้างต้นซึ่งความแตกต่างคือความอึดอัดของการไม่ได้หายใจครับเข้าใจว่าภาวะทั้งสองเป็นคนละอย่างควรปฏิบัติอย่างไรดีครับก็ภาวะที่มันสงบไงเวลามันอึดอัดก็อย่าไปสนใจมัน ถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมต่อไปจนกว่ามันจะเข้าสู่ความสงบว่างเย็นสบายครับคำถามจากโยมจุฬารัตน์นะครับขอโอกาสเรียนถามท่าอาจารย์เมตตาเจ้าค่ะลูกสงสัยว่ามุสาวาสในสินห้ากับวจีกรรมในกุศ ล, ลกรรมบทสิทธิมีความแตกต่างกันอย่างไรคะอ๋อในสินห้านี่เขาห้ามพูดปดอย่างเดียว แตในอกุศรกรรมนี่มันมีนอกจากไม่ให้พูดตรวจแล้วก็ไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเพ้อเจ้อไม่ให้พูดสอเสียดคือละเอียดขึ้นไปถ้าศี่ห้าก็เพียงแต่ไม่พูดโกหกห้าไม่ให้พูดโกหกแต่ยังพูดเล่นได้อยู่ยังจะพูดเล่นพูดดินทากาเลชาวบ่วงชาวบ้านก็ยังพูดได้อยู่ากจะพูดคำหยาบก็ยังพูดได้อยู่แต่ถ้าเป็นถือถ้าอยากต้องการให้เป็นละเอียดขึ้นไป อยากจะละอกุศลกรรมทางวาจา ก, ก็ต้องละคำหยาบด้วยไม่พูดคำหยาบไม่ด่าพ่อเล่าแม่ใครไม่ไม่พูดเพ้อเจอ้นินทากาเลพูดเรื่องไร้าสาระออแล้วก็ไม่พูดสอดเสียก็คือยุยงให้คนอื่นเขาแตกแตกสามะคีกันยุยงให้คนอื่นเขาทะเลาะวิวาทกัน อ, อ, อันนี้ไม่ให้พูดคำพูดเหล่านี้ครับคําถามจากโยมจิตมณีลีนะครับ กาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนนุ์ว่าเธอต้องเจริญมรณานุสติทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะทำลายความกลัวตายได้ทำอย่างไรคะให้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกกราบสาธุค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอย่างนี้ไป คำถามจากคุณวินค่ะผมนั่งสมาธิดูลมหายใจได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านลมหายใจเบารู้สึกว่างๆแต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อจึอลองนั่งไปเรื่อยๆพอสงบได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีทุกขเวทนาเข้าแท้คือปวดขามากจนเหมือนขาจะไหม้ทนไปได้ถึงชั่วโมงที่สองก็ออกจากสมาธิอยากสอบถามพระอาจารย์ว่า ข้อที่หนึ่งที่รู้สึกว่าจิตสงบแบบว่างๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเป็นสมาธิที่ถูกต้องไหมครับอ่าถูกต้องถ้าจิตว่างๆสบายก็ปล่อยมันว่างๆสบายไปพอมันเกิดวิตกทุกกเวทนาขึ้นมาก็พยายามทำให้มันว่างๆสบายต่อไปอถ้ามันทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนต่อข้อที่สองค่ะอ๋ะ อาจารย์ตอบไปแล้วใช่ไหมคะให้เดินจงกรมบุกเบิกเถามเลยค่ะ <c oughs> ถามมาว่าตอนปวดขาเหมือนไฟไหมผมควรทนนั่งต่อไปหรือลุกขึ้นมาเดินจงกรมครับถ้านั่งต่อไปได้แล้วทําใจให้ว่างได้ไม่ทุกข์กับการเจ็บปวดก็ทําไปถ้าทําไม่ไหวทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินมาเจริญสติสร้างกําลังใหม่ก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่เอาอีกสักสองสามคำถามนะคําถามจากคุณทิมพ์ค่ะ สุขท so like ี่แท้จริงมาจากการถือศีลภาวนาและบุญที่แท้จริงและมีคุณค่าสูงสุดจะเกิดขึ้นจากการกระทําใดได้บ้างเจ้าคะก็นี่หละเกิดจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นบุญสขั้นด้วยกันก่อนขั้นแรกก็ต้องสร้างบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้ได้ก่อนพอรักษาศีลได้ก็จะสามารถสร้างบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิได้พอสร้างบุญจากการนั่งสมาธิได้ก็จะสามารถสร้างบุญที่เกิดจากการ จเจริญปัญญาได้มันเป็นขั้นเหมือนเรียนหนังสือต้องจบประถม ก, ก่อนแล้วก็ไปเรียนมัธยมจบมัธยมแล้วถึงอยเข้าไปสู่อุดมศึกษาต่อไปคำถามจากคุณสิมาค่ะปกติเป็นคนคิดมากคิดวนเวียนคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตบ้างเลยอยากทราบว่า พอจะมีวิธีดึงสติให้อยู่กับปัจจุบันแบบง่ายๆไหมเจ้าคะก็พุทโธเนี่ยท่องพุทโธไปแทนที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าคิดพุทโธเบื่อก็สวดไปก็ได้อิติปิโสไปสักร้อยจบอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรดสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูเนี่ยท่องไปคำถามจากคุณหนุ่มค่ะฐานจิตเป็นอย่างไรคนเรามีฐานจิตกี่จุด และเราสามารถจะรู้ว่าเรามีฐานจิตที่เหมาะสมกับตนเองที่จุดไหนได้อย่างไรขอรับมีจุดเดียวก็คือความสงบไงจิตจะสงบ ก, ก็ต้องมีพุโทโธหนึ่งเข้าไปเพราะจิตสงบว่างเย็นสบายก็ถึงฐานจิตแล้วเอ า, เอ า, เอาสุดท้ายหมดแล้วยังมีค่ะอีกข้อหนึ่งะคะ่ะคำถามจากคุณสาธิมาค่ะการที่เราเพียงแค่คิดอกุศลคิดไปในทางที่ไม่ดีเพียงแค่คิดแต่ไม่ได้กระทําจริง บาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปแต่นั้นทุกข์พอเกิไม่ดีใจก็ไม่สบายนะทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนะแต่ทุกข์ทางร่างกายยังไม่เกิดฉันยังไม่ได้ไปฆ่าคนอื่นนี่ทุกข์ทางร่างกายก็ยังปลอดภัยอยู่ถ้าไปฆ่าคนอื่นนี่เดี๋ยวเขาก็จับเอาร่างกายไปลงโทษต่อเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณา